50 languages. Kau. Ombattu. One. Wan. Varadadinagalu. รูวันจันโซมาวาระ n ันอังคา Mangalavara. วันพูธบุทวาระวันพระรหัสสั บ, บดีกุวาระวันสุชุกรวาระวันสาวชิวาระวันอาทิตย์บานุวาระ สัปดาห์อาทิตย์วาระตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สมวาระดินดาบานุวาระดาวเรเกวันที่หนึ่งคือวันจันวาระดาโมดลันยเนียดิวสาสัส o วาระวันที่สองคือวันอังคาร เยเนย์ิวันศุรวันที่สามคือวันพุธมูรเนียอาทิตย์วัพวันที่สี่คือวันพฤหัสบดีนาลเนยอาทิตยวันรวันที่ห้าคือวันศุกร์ไอเนยอิวันศุกร์ วันที่หกคือวันเสาร์อารเนยดิวสซาชนิวาระวันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์เยลานียาดิวสาบานวาระหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันวันทุวาระด ล, ลีเยลูดิวสกลิเวเราทำงานเพียงห้าวันนาวู केवला 5 द, द ि व स ดุดีว่าสั ತ เลสส์